โอกาสนีบ้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัทและพิโยคาวิจรสลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานและกรรมฐานแล้วต่อจากนี้ไปขอท่านนายไลโรตั้งใจสนับคำการศึกษาซึ่งจะแนะนำในด้านอารหัตผล สำหรับภาคนี้เป็นภาคของอรหัตตผลนท่านนั้นหลายคงจะยังไม่ลืมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพธธรรุทธเจ้าทรงตรัสว่าสำหรับพระโสดากับพระสีธาคามีเป็นผู้ทรงอธิษฐานเกอดมีส ม, มาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อย แต่ว่าเป็นผู้มีความมั่นคงในสินสำหรับพระนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตนี่หมายความว่าสินของท่านบริสุทธิ์ถึงสมาถึงสินแปดแล้วก็มีจิตทรงสมาธิมั่นคงถึงฌานสี่อย่าลืมว่าจริยาคือการของพระนาคามี ท่านผู้ทรงความเป็นพระอนาคามีนั้นจะมีศีลแปดเป็นปกติจะสมาทานหรือไม่สมาทานไม่มีความสําคัญผู้มีศีลไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนั่งสมาทานกันทั้งวันทั้งคืนศีลที่มีจริงๆอยู่ที่ตัวเว้นเราไม่สมาทานเลยแต่ว่าเราเว้นที่เขาเรียกกันว่าวีรัต คำว่าวีรัตแปลว่าเว้นเว้นจากความชั่วห้าประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีสินห้าเว้นจากความชั่วแปดประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีสินแปดดังนั้นท่านที่ทรงความเป็นพระอนาคามีจะมีสินแปดเป็นปกติเพราะว่าเป็นสินอมจตะเห็ น, นว่าพระอนาคามีหมดกามฉันทะหมด ความโกรธเพียบบัดและปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ที่สนดุดใหญ่ให้ไม่สบายเกิดขึ้นในความขัดข้องไม่มีในพระนาธามีสำหรับพระอราหันต์เป็นผู้ทรงอธิปัญญารวมความว่าพระอราหารนันต์นทรงครบสีงก็ บ, บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตั้งมัน ปัญญาก็รอบรู้จริงๆสำหรับการปฏิบัติเท่าที่ผม อ, อธิบาติมารู้สึกว่ามันเยินเยอะเกินไปแต่ว่านั่นเป็นแนวคิงคำสอนวิธีปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีใครเขามุ่งพระโสดาสีทาคาอณาคาเพื่อขึ้นต้นกันจริงๆเขามุ่งอรหัตตผฝนกันเลย เรียว่าการมั่วรัตผลนี่เขาถือว่าอย่างเลวที่สุดจิตจะจับไว้เฉพาะประสูตนาบันก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นของง่ายความจริงการทรงประโสูาบันไม่มีอะไรจะยากเพียงทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าร่างกายเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์สเปโต้ถ้าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตรมนุษย์สติระชันโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่จะว่าจิตใจเป็นสัตว์สติรจชันมนุษย์สนิรยริโยร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็ไปตามนั้นคําว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูง หมายความรู้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงศีลห้าหรือว่าทรงกรรมบุตรสิทธิ์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ยงทันถือว่าผู้ใดทรงกรรมบุตรสิทธิ์ผู้นั้นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่ากรรมบุตรสิทธิ์เป็นทําให้เกิดให้ให้บุคคลเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นอันว่าตอนนี้เร า, าพูดกระทึงอลาหัตผลก็ขอย้อนต้นไปถึงปลาย อันดับแรกการที่เข้ามาเจริญพระกรรมาฐานก็ต้องใช้อารมณ์อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสศาเสดด า, ศาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทยังไม่ละพระอรหันตุกองค์ที่ทรงความเปรียญแล้วยังไม่ละนั่นก็คือสมถภาวนาสองประการ ได้เกนหนึ่งอนนาปานุสติกรมฐายการกำหนดรูลมให้ใจเขาออกเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราเพราะเป็นการระงับทุกขเวทนาและอุปเลยการที่สองกายกะตานุสติสำนับสมถะที่เจรณนาเห็นว่าร่างกายมันเป็นของสุกรบอกโสโครกไม่ทรงตัว เรื่องการที่สามขอแถมนิดพระอรหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีไม่ลืมความตายตามที่องค์สมเด็ดเพจพระจอมไตรบรมศากดิสันดาสมตาจกับข้าอนนลว่านันทาดูก่อนอนน์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งเรื่องอนนลโทนองสมเด็ดเจตัวสัมมาสัพพัทเจ้าว่า ข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันหนึ่งประมาณเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานันทะดูก่อนอนนนท์เธอนึกถึงความตายห่างเกินไปสำหรับสถาคตนี้นึกถึงความตายพุกลมให้ใจเข้าออกตอนนี้จำกันได้แล้วอย่าง ว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องทรงสมถะเป็นประจำนั่นก็คือหนึ่งอนนาฟานุสติกรรมฐานการกำหนดรูดลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติสองกายยกาตานุสติหรือร่างกายนี้ไม่ทรงตัว แบ่งแปรการสามนิตสองควบการสุปรกรรมฐานมีความสกปรกเป็นปกติเรือการที่สามนึกิึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านนันหลายสวรรค์ท่านสามเรืาการนี้สรงตัว คำว่าทรงตัวท่านเรียกัว่าเป็นฌานคำว่าฌานผมถือว่าคืออารมณ์ชินอารมณ์นี้ทรงอยู่เป็นปกติในใจของเราถ้าทรงอารมณ์ั้งสามเวรการนี้ได้เป็นปกติถ้าท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นได้ภายในเจ็ดวัน ถ้ามุ่งจะเป็นพระสีธาคามีผมว่าไม่เกินสิบห้าวันถ้ามุ่งจะเป็นพระอนาคามีผมก็คิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนถ้ามุ่งจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกินเจ็เดือนเป็นอย่างมากเ่าอะไรก็รองคิดว่าคนเราถ้ารองคิดว่าเราจะต้องตาย แล้วก็มานั่งพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณว่าการทรงชีวิตอยู่นี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช้ปัญญาไม่ใช้แต่สมถะนั่งหลับหูหลับตากรรมยังข้ามคือยางรล่งโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช่การสัมผัสไม่ใช่ไม่ใช่ตาสัมผัสไม่ใช่หูสัมผัส ไม่ใช่กายสัมผัสไมนั่งเงียบอยู่ในเขาลำเน้าป่าอยู่แต่ในห้องโดยเฉพาะก็คิดวาจิตของตนบริสุทธิ์เพราะว่าไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่แป็ น, นิทาารมณ์ไม่ต่อสู้กับความจริงในที่สุดก็จะเป็นแบบท่านพระโถูกควายเข้าอ่อนควิด เมื่อเข้ามากระทบกับอารมณ์จริงๆแล้วมันก็จะทนไม่ไหวฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นด้านสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีหวังเป็นผู้ทรงฌานโลกีก็ดีฌานโล ก, กุตระก็ดีเขาต้องสู้กับความจริงไม่ใช่หนีความจริงฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์สัมผัสอยู่เส ม, มอ จะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดีความเปร่อหันมีตรงไหนอันดับแรกองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสกายทิทิความจริงตัดตรงนี้ตรงเดียวแท่งเดียวไม่ใช่ตัดที่ไหนสกายทิทิพิจารณาด้างกายคือขันห้า ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสามอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นพวกเราเราไม่มีในขันห้าแสงขันห้าไม่มีในเราที่ว่าขันห้าไม่มีในเราเป็นลงกับสมถะคำที่เรีกว่าตายสมถะเห็นว่ากายตายมีปัจจัยเห็นว่ากายพัง เราไม่มีอำนาจควบคุมกายให้ท่งตัวกายมันจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้กายมันจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้กายมันจะตายเราห้ามตายไม่ได้เขาทำกันยังไงวิธีเขาทำเขาใช้ปัญญานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ นอนอยู่ทำกิจการงานอยู่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนที่มีอริยาบทอย่างเราๆที่ท่านตายไปแล้วนับไม่ถวนในสถานที่ที่เราทรงจะ น, นั่งอยู่นี่เรายืนอยู่เราเดินอยู่หรือเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงนี้เคยมีคนตายแล้วสัตว์ตายแล้วนับไม่ถวน ถามว่าถ้าเราตายเราเกิดมันจะมีผลอะไรดูผลข้องการเกิดเกิดอยู่ในท้องแม่ก็ทุกออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกเป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาการที่เราอาศัยท่านท่านมีไม่ตายก็จริงแหละแต่ทว่า สิ่งที่เราปรารถนามันไม่เ่าอาใสมหวังเราก็เป็นทุกข์โตขึ้นมาแล้วพ้นจากอกพ่อแม่ก็ตํางประกอบกิจการงานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีผููครองไม่ใช่ว่าเราจะเปลื่อนความทุกข์เราก็ไปดึงาความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกข์มากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวัน ถ้าว่าเรายังดินลนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิดเกิดเมื่อไรทุกเมน่อนั้นเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยังดีว่าเกิดในอบายภูมพถ้าเกิดเป็นสัตว์รกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสตจฉันก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไ้เกิดเป็นเทวดาหรือภพก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบรารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันใหม่ เราก็พิจารณาไปว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้โดยนําเอาสกายทิติกายะตาลุสติกะอสุปกรรมฐานมาควก้าความจริงว่าร่างกายไม่เป็นชิน้นเป็นอนันไม่เป็นแท่งทึบร่างกายนี้แบ่งแบ่งการสามสิบสองเต็มไปด้วยความสกป ร, รกโสมมเป็นสิ่งโสโครก ถ้าเราละปลดถนาในการครองคู่มัน็นสุขและเป็นทุกข์เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองเราก็เพิ่มทุกข์แม้ใครบ้างที่เป็นที่พึ่งของเราไม่มีแต่ขืนไปดึงเอากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มุ่งเอากิเลสใหญ่ หันก็มาดูราคาความรักในระหว่างเพศจุดไหนบ้างที่เป็นของสวยระหว่างเพื่อนในเพื่อนระหว่างเพศไม่มี้วมีใครทรงตัวในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างไม่มีคนแก่เราอยากจะแต่งงานด้วยไหมอายุสักแปดสิบปีหนังก็ยน่น หน้าก็ตกกระผมหงอกฟันหักตาขาวโหลล้างโกททำอะไรไม่ไหมไม่ไววอยากจะแต่งงานด้วยไหมถ้าเราไม่พอใจคนที่มีสภาพอย่างนี้ก็จงนึกว่าเราก็ดีคนที่เราคิดว่าจะแต่งงานด้วยก็ดีถ้ามีอายุถึงปานนั้นแล้วเราจะหลีกเลียงได้หรือเปล่าใช้ปัญญาพิจนารณาดูให้ดี ตอนนี้เป็นตัวปัญญาแล้วก็มาตอนโลภะความโลภเอย่าลืมนะคนถ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านหลายปฏิบั ต, ติท่นานได้ฌานโลกีขึ้นมาถ้าอารมณ์จิตเริ่มทรงฌานเรียกก้าวคเป็นประสงดาสีธาคาอนาคาอาหัน ทุกระดับนี้ชานโลกีเท่าทรงตัวลาบจะมากถ้ายิ่งเป็นพระเรียเจ้าก็มีลาบมากขึ้นพทะาศูนดาิศิธาคาอันนาคาจะรวยขึ้นตามลำดับถ้าถึงอรหันต์ก็รวยใหญ่รวยตรงไหนรวยที่มันตัดโลภความโลภทรงชาญโลกีจิตระงับความโลภ เป็นเบอร์ศูนย์ดาบันจิตเริ่มตัดความโลภไม่ใช่ระงับเฉยๆเริ่มตัดเทวสกิทาคามมีตัดความโลภมากขึ้นถึงอนนาคามมีตัดความโลภเ ก, กลือบหมดถึงอรหันต์ความโลภไม่เหลืออยู่ในใจเมื่อความโลภมันหมดไปลาบมันก็เกิด <c oughs> ถ้าอารีย์เจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในดงมันก็เป็นวัดแล้วก็คงจะไม่ใช่วัดโครงเกรียงจะเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความแจ่มใสดูตัวอย่างหลวงปู่บุญมีที่ดอยมุกขลากล้ไล ด, ดอยถนนที่นั่นคนขึ้นไปหาก็แสนยากท่านขึ้นไปอยู่ใหม่ๆเจ็ดแปดวันจะมีคนเอาข้าวหปกินสักครั้ง คนเต็มไปด้ความผับแคบของใจแต่ได้ระยะตนระยะหลังนี่กลับมาใหม่เมื่อจิตดีแล้วเพียงแค่สองปีวัดก็มีราคาเป็นล้านคนนั้นก็อยากไปสร้างให้คนนี้ก็อยากไปสร้างให้แต่ ว, ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่นี่ผมไม่ทราบ แต่เวลาคุยกับท่านท่านก็คุยเยอะขอดเดียวคือตัดสกายะทิฏฐินี่อนี้ท่านนหลายจะเพื่อเห็นว่าจิตถ้าบริสุทธิ์มากเพียงใดราบสักการะมันก็เกิดมากเพียงนั้นเมื่อราบสักการะเกิดก็จงอย่าไปคิดว่าทุกคนท่านจะติดราบสักการะความจริงเปล่าเพรใจถ้านไม่ติดตอนนี้แต่เราจะต้องคิด อันดับแรกเราก็ไปจับจุดตัดกรรมราคาะเสียก่อนเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นประโยชน์ไม่ผมพูดจนจะเริ่มปฏิบัติครั้งแรกเลครับแล้วต่อมาก็มองดูทรัพย์สินนั่นหลายว่าคนที่แบกทรัพย์สินนั่นหลายมากเท่าไรก็ตามทีเขาก็ตายมีครับมากก็ตายมีทรัพย์น้อยก็ตา ย, ย, ากกตายจนก็ตายรวยก็ตาย ในจิตใจจะมานั่งมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเพื่ออะไรทรัพย์มีดีมีประโยชน์ได้ทรัพย์มากเท่าไรทําทรัพย์นั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นจงอย่าเอาจิตเข้าไปติดในทรัพย์เป็นแด่เพียงว่ารับมาแล้วเพื่อทําประโยชน์ใหญ่ให้เป็นสาธารณะให้มากขึ้นใหญ่ไม่ก่อ ต่อมาในของความโกรธเขาก็มานั่งดูสกายะธิฏฐิเราโกรธตอนเราอยากจะฆ่ากายของเขาเราอยากจะประทุ้ร่างกายของเขาให้ร่างกายนี้เขาเองเขาไม่ทรงตัวไม่มได้เขาห้ามความแก่ไม่ได้เขาห้ามความป่วยไม่ได้เขาห้ามความตายไม่ได้เราจะไปนั่งโกรธร่างกายของเขาในเรื่องอะไร อย่าประทุสรายเขามันก็สร้างความชั่วให้ใเราเราไม่ต้องไปทรมานเขาเขาก็ทุกเราไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายยกล้อมันไปไม่ดีกว่าเลยเขาชั่วเลยเขาชั่วไปแต่ผู้เดียวเขาด่าเราเราไม่ด่าเขาเขาเลวคนเดียวเขาแกล้งเราเราไม่แกล้งเขาเขาเลวคนเดียวเราไม่เลวทำอารมณ์จิตให้เป็นสุข คิดว่านั่งเขาเว้นท่าของกิเลสระดันหาสําหรับโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสําคัญอันดับแรกเราก็มาตัดความหลงมันนั่งมองร่างกายเรานั่งมองร่างกายก็มันคนเองมองดูความสกปรกของร่างกายมองดูความเสื่อมไปของร่างกาย ถ้าดูการเดินเข้าไปหาทางสลายตัวของร่างกายมองดูร่างกายที่มันใช้เราคือจิตถ้าแสวงหาอาหารมาให้มันกินแล้วมันก็ถ่ายทายแล้วมันก็กินถ้าดูว่ามันก็สุดสมลงปกวันมันดีแล้วมันชั่วสแสดงว่าร่างกายนี้มันชั่วเราควรจะมีร่างกายต่อไปไหมก็เชื่อว่าเราไม่ควรจะมี เราจะไม่มีร่างกายต่อไปเราจะทํำยังไงเราก็ต้องเป็นคนใช้ปัญญาปัญญาก็เราจะเอาอะไรามาใช้ปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหตุที่จะต้องใช้ต้องใช้ตามแนวที่องสมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนํานั่นก็คือพิจารณาคําสอนขององสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนอวสาน ในที่สุดองค์สมเด็จพระวิชิตามารว่าเราสามารถเข้าใจในอริยสัจด้วยปัญญาเราเป็นอรหันต์อริยสัจมองเห็นทุกข์ของคนของตนเองทุกข์ของคนอื่นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหมดทุกข์มาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาคืออะไรคือความอยาก เราจะตัดตัณหาเราตัดตรงไหนตัดที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงเคะกล่าวโดยย่อเราก็ส่งศีลสมาธิปัญญาให้ครบถุวนเมื่อศีลสมาธิปัญญาครบถุวนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นฌานโลกีต่อมาก็มานั่งดูว่าพระโสนาบันทรงอะไร ประโสดาบันทรงอภิสินและไม่คล้องในกายเราเป็นประโสดาบันอ น, นาคามมีมีอะไรสกิกาคามีผมไม่พูดอ น, นาคามามีคือตัดการมไม่ชั้นทะโดยใช้กายกาัจานสติอสุภกรลามกรรมฐานแลวใช้กายทิฏฐิพวกกัน กายขตายาติเห็นมาร่างกายเป็นชิ้นเป็นทอ่อนเป็นตอนอสุภกรรมฐานเห็นมาร่างกายสุปรกสกายยาติไอ้สิ่งที่มันสุปรกอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราใส่มันพอใจมันทําไมสําหรับความสวยงามในร่างกายเพระเป็นความสุกบกร่างกายเราเราก็ไม่พอใจร่างกายเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจ เป็นอันว่าไม่สนใจอย่าลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์ถ้าเราตัดการมไมชันทะเราก็หาคนสวยถ้าชนหน้ากันมาไรถ้ารับหลังเขาเราเห็นว่าไม่สวยมาไรมันนั้นใช้ได้จิตใจไม่ปูกพันมันด้านโทสะความโกรธถ้าอาหนาคาตัดได้ด้วยอาศัยพมีหาสีกับเซกายาทิฏฐิควบกัน ตามเที่ดนบายมันแล้วนี่ต้องใช้ปัญญานะจะเป็นนั่งภาวนาอยู่เฉยมันไม่ไปมองดูโทษของความโกรธและมองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตามนี่กล่าวมาเมื่อถึงอนาคามีแล้วควานเปน่าหันเก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของส บ, สบายใช้ปัญญา เมรูปประชานและรูปประชานเป็นบันไดสําหรับก้าวขึ้นสู่พระนิพพานเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรกันตรงไหนถือนี่มันถือกายถือถือความเลวถือชาติแต่ควรถือฐานะถือวิชาความรู้ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ทรงตัวนี่ไปถืออะไรกัน คนแก่สัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะไปถ้าเราเป็นเพื่อนกับสัตว์ไดไ้เมื่อใดเมื่อนั้นชื่อว่าจิตเราจะปลดมานะได้ถ้าเรายังเห็นสัตว์ในฉานสัตว์ขี้เรียนเป็นที่หน้าได้เกียดเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้จําให้ดีเท่านี้นะทําใจให้มันลงตัวแล้วอุตส่าห์อารมณ์ฟู้ัซ่นนี่หมายความอารมณ์เราจับนิพันธ์ตรงหรือเปล่า โลภะความโลภมีในจิตหรือ เ, เปล่าราคะความกำนังยินดีมีในอารมณ์หรือเปล่าโทสะพยาบาทความโกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถึงถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราแล้วกล่าถ้ายังมีอยู่ยังตัดไม่ได้อารมณ์ต้องเบาในสิ่งทางหลายเรานี้ทั้งหมดจิตกําหนดเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ที่ว่าตัดโอทัจจะคืออารมณ์พุ่งซ่านได้ แล้วก็อวิชามันไม่มีอะไรอวิชานี่แปลว่าไม่รู้เหลือนิดเดียวอวิชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการทรงเป็นแพรอนาคา ม, มีอย่างดีเกิดเป็นเทวันดาแราพรมกํหมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปตั้งใ จ, จเฉพาะพลิพานเป็นอารมณ์พอจิตเขาถึงอรหัตตาผลจิตใจของเราจะมีค อ, อาการความเบา ไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีเท่างปวงจะมีอารมณ์โปร่งมีใจเป็นสุขเขาจะมาในด้านไหนกามาชันท่ามาคนเหลวโลภะความโลภเขาจะนำมาคนเหลวโทสะความโกรธมายั่วย้าวคนเหลวโมหะเข้ามายั่วยังไงคนเหลวใจเราไม่ติดอารมณ์ม ส, บสบาย คล้ายๆกับว่ามือไม่ก่ออะไรทั้งหมดจิตนั้นโปร่งมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนสวยก็เหมือนกับเห็นเปรตเห็นซักเห็นท่างหลายก็เห็นเหมือนเห็นก้อนดินเหนียวเห็นบุคคลทําให้โกรธเราก็ไนึกวเราเห็นคนบ้าเห็นร่างกายกายยารัย์สินทั้งหลายเห็นว่าวัตถุที่เหมือนไรค่าจิตใจเป็นสุขอารมณ์โปร่งเท่านี้ระบรรดาท่านทั้งหลาย เป็นในการที่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงอรหัตผลผมพูดมานะ้ะมันยาวเกินไปแต่ความจริงการปฏิบัติกาปฏิบัติําแบบนี้เขารัดรัดสเสียดวก็ถึงแวทนานหลายมองดูเวลาได้ความจริงเรื่องนี้เราย้ํากันมาเป็นปีเห็นว่าเท่านี้ก็ขอเวลาก็หมดเส็นแล้วก็ขอวยุตาณว่าจะเพียงเท่านี้สําหรับด้า น, นอนุสติห้าราการ ที่เริ่มต้นฤกษ์โสนดามมันก็ขอจบไปแต่เทียนตรงนี้ขอความสุขสวัสดีก็มีแต่ท่านหลายตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกาหนดรู้ลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกอยู่ในใ น, ในริยาบทที่ท่านต้องการจงกว่าจะถึงเวลานั้นที่เห็นว่าสมควรสวัสดี